ตระกูลสูงเป็นพระราชามาหากษัตริย์กันซะส่วนใหญ่นั่นก็ถือว่าเป็นเศษเศษของกรรมในบางส่วนนะแต่ท่านเหล่านั้นก็เคยสูญเสวยสุขในสวรรค์สมบัติมาแล้วนะีพูดถึงพระราชาพระองค์นี้ก็เหมือนกันพระราชาพระองค์นี้ก็เป็นพระราชากรุงพาราสีฝีก็ได้บังเกิดขึ้นแก่พระราชาพระราชาเป็นฝีเวทนาแก่กล้าเป็นไปอยู่แพทย์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าเว้นการผ่าตัดไปแล้ว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 อร่อยมากที่ส่งผลให้มีฝีอีกแผลที่เกิดจากพระกยาหารนั่นก็กำเริบอีกนะนะอาหารนี่มีผลมากต่อแผลแผลจะหายเร็วหายช้าก็อยู่ที่อาหารด้วยส่วนหนึ่งมันอหลังจากที่ไปบริโภคอาหารที่อร่อยลิ้ น, น่ะนะแต่ว่าไม่สบายไม่สบายแผลวังั้นดีอีกทวารหนึ่งแต่เสียหายหลายทวาราก็เลยเกิดกำเริบขึ้นฝีของพระองค์ก็ถึงสภาพเช่นเดิมอีกนะ พระองค์ก็เลยทําการผ่าตัดอย่างนี้ถึงสามครั้งในที่สุดแพทย์ก็ได้ทูลบอกเลิกบอกอําลาแลยพระเจ้าข้าถ้าพระองค์ยังสเสวยอีกหม่อมชันไม่เอาแล้วหมอบอกเลิกพอหมอบอกเลิกว่าถ้าหากว่าพระองค์คืนเสวยอีกหม่อมชันไม่ผ่าให้แล้วอาจจะอธิบายให้ฟังด้วยโทษหลายๆประการ น, นะว่าถ้าคืนผ่าอีกเป็นต้นอาการทกโทษอะไรลยๆอย่างก็จะตามมาพระราชาก็เลยเบื่อหน่าย ฝีช่วยฝีมาในคราววัตนาส่งนะก็เลยจะได้คนจะได้บรรลุอันนั้นะก็เลยมีฝีเลยในที่สุดก็เลยจะสละราชสมบัติเห็นไปเจริญวิปัสสนาอยู่ในป่ากระทำให้แจ้งโพ ป, ปัจเจกโพธิญาณโดย เปีเจปีผ่านไปก็ได้ตรัสรู้เนี่ยนะของเราโอ้ยอยู่กับอริยสัจ ถ, ถึง7ปีหรื อ, อยังเนี่ยนะไอ้มัน7ปีวันละสิชั่วโมงดูเธอะเนี่ยนะสัก7ปีนี่ถ้าไม่บรรลุก็เหมือนถือว่าอินรียังอ่อนอยู่มาแต่ถ้าทําได้โอติดกัน7ปีเนี่ยนะคิดแต่อริยสัจอย่างเดียวเนี่ยนะโดยเฉพาะคิดถึงมรรคสั์ให้เยอะๆเนี่ยคือคําว่าคิดกับอริยสัจไม่ใช่ให้คิดจมอยู่กับทุกข์นะ แต่ให้คิดมกษัจจะที่เป็นเครื่องนําออกจากทุกถ้าอยู่อย่างนั้นสัก7ปีเนี่ยได้ดีแน่แต่ปัญหาว่ามัน7ปีก็จริงแต่ว่ามันปีละอะไรนะปีละ3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะวัดเอานาทีมาจับจับคำนวณตรวจดูแล้วเนี่ยเจปีปีละห้าชั่วโมงเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็บางทีอาจจะอย่างสมมติว่าโอ้ยฟังธรรมเนี่ยวันละฟังวันละหลายชั่วโมงนะฟังแต่เช้าจนเย็นจนกว่าแปดเก้าโมงจนถึงเนี่ยสี่หมงเย็นเนี่ย น, นัน แต่ว่าไอ้ตัวที่เข้าใจจริงๆปริมาณเอามาชั่งนาทีและศักสิทบนาทีได้ที่เหลือเป็นเรื่องอื่นหมดจริงอยู่ว่าที่นั่งอาจจะนานนะแต่ว่าไอ้ตัวความเข้าใจนะที่พูดนี่พูดถือเอาตัวสาระตัวปัญญาตัวที่รู้ตัวที่เข้าใจเป็นประมาณเขาวัดกันที่ความเข้าใจไม่ได้วัดที่ชั่วโมงเวลานาทีอย่างอื่นนะแต่ถ้าคนบุญน้อยก็สะสมใช้เอาชั่วโมงอย่างอื่นมาเจือจางนะให้มันเพิ่มเพิ่มขึ้น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 ความจังไรทั้งปวงยงมามราชไปก็อีติอันนี้แหละคือแปลว่าจังไรนะในโตสีสิบก็อีติโตนั่นแหละฝีอุบาทโรคลูกสอนภัยคือความน่ากลัวเหล่านี้มีอยู่ในกรรมมาคุณทั้งหลายถ้าหากว่าเห็นภัยแบบนี้แล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดน อ, อนแเสร็จแล้วก็พอนี้ก็เหาะไปสู่ภูเขานันทงมุลกะอธิบายว่าอีติอีติเนี่ยนะ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 เพราะฉะนั้นแม้กรมาคุณทั้งห้าเหล่านั้นก็ชื่อว่าเอติหรืออิติเนี่ยนะเพราะอัตถะว่าเป็นเหตุนํามาซึ่งความพินาศหลายอย่างและเพราะเป็นเหตุให้ตกต่ําอย่างหนักต่าขนาดไหนก็ต่ำถึงขนาดอเวจีนั่นแหละโล ก, กตาตันนั่นแหละต่าขนาดนั้นนะ น, นะววพวกพวันสิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็ต่ําถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะแม้โดยรวมก็แม้ฝีย่อมหลังออกซึ่งของไม่สะอาด คือบวมขึ้นและแก่จัดแล้วก็แตกออกเพราะฉะนั้นกามคุณเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับฝีวัตถุ ก, กามทั้งหลายเหมือนกับฝีเพราะเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดคืออกุศลทั้งหลายก็อย่างว่าวัตถุใดบ้างที่ไม่นํามาเสื่งบาปและอกุศลเนี่ยนะอย่า ง, างคือคือทุกอย่างเนี่ยนะในโลกนี้สิ่งใดๆคำถามว่าดอกไม้ที่จะถูกเด็ดก่อนดอกไหนดอกที่เร็ที่สุดใช่ไหม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 นวัตถุกางทั้งหลายเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งวัตถุที่ที่เรียวกว่ากิเลสเนี่ยนะคือความเศร้ามองสารพัดชนิดก็หลั่งออกมาเพราะอาศัยวัตถุกางอย่างเพชรบางเพชรเนี่ยนะเพชรบางเม็ดเนี่ยผ่านมากี่ศพแล้วเนี่ยถ้าเราคิดให้ดูนะถ้าใครไปบริหารดูแลเพชรเม็ดนี้เมื่ อ, อไหร่ก็กลายเป็นศพแต่ทุกคนก็อยากเป็นเจ้าของเ่ยนะแล้วก็วเพราะอะไรพันวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองอยาตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยนะ โอ้ถ้าใครไปอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะอายุไม่ยืนแต่มาแย่งกันไปอยู่ในตําแหน่งนั้นเหลือเกินน่ยนะซึ่งแปลว่าทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นที่ตั้งแห่งความปองร้ายสารพัดชนิดแต่ก็เป็นที่ต้องการนั้นวัตถุกรรมที่น่าปรารถนาก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลสารพัดอย่างฉะนั้นอย่างกาลมคุณ5เหล่านี้ที่ชื่อว่าอุปัทถวะอุปัตถวะเพราะอัตถาวะประทุษร้ายทําความเสียหายให้เกิด คำว่าอุปัตตวะนั้นเป็นชื่อของอาจญากรรมทั้งหลายเป็นชื่อของอาจยาทั้งหลายที่เกิดจากราชธรร์เป็นต้นเช่นถ้าหากว่าไปทําความชั่วก็มีผู้ที่เขาลงโทษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กรรมมรุณเหล่านั้นก็ชื่อว่าอุปัตตวะเพราะเป็นเหตุไม่ก้าวลงสู่พระนิพพานที่ตนยังไม่รู้คิดง่ายๆว่าวัตถุกรรมตัวไหนมั่งที่จะนํามาเสื่งพระนิพพานว่าอย่างตอนนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะซีดีซีรีลอมอะไรคอมพิวเตอร์ถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็อาจจะใกล้ก็ได้เนี่ยนะ แต่ว่าอย่างว่านะมีสิ่งเหล่านี้แล้วฟังธรรมะกับฟังอย่างอื่นไหนมากกว่ากันหลายคนว่าฟังธรรมฟังธรรมนะใช่ช่วงที่กุศลเจริญก็ว่าอย่างนั้นเลยช่วงที่อาจกุศลไม่เท่านันะ้นเลแต่บางคนหลายคนนะมีสองคนที่เหลืองเงียบหมดก็แปลว่าอนะไรก็ดูเอานะบางคนก็เอาไว้ฟังฟังเพื่อที่จะออกจากวัตฏะบางคนก็ฟังไว้เพื่อจะโซ่ให้มันเส้นใหญ่กว่าเดิมขึ้นจะได้ล่ามเอาไว้ เขาก็แล้วแต่นะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็อย่างว่ามีรถเนี่ยขับรถไปฟังธรรมหรือเอาไปทําอย่างอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยนะก็ดูบางท่านบอกโอ้ยเนี่ยนังออกรถมาเนี่ยไว้เจริญบุญอย่างเดียวอนุโมทนาด้วยเนี่ยนะก็หลายๆค่ะก็คิดดูว่าวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลมากหรือเจริญอกุศลมากในประชากรจํานวนหกพันล้านเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยเมื่อมีวัตถุเหล่านั้นเอาวัตถุเหล่านั้นไปทําอะไรเนี่ยนะเอาไปทํากุศลหรือเป็นที่เจริญ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 เมื่อมีไม้งามกงฟันสเปะสปาจนขวานบินหมดแล้วจนจะฟันอะไรก็ไม่เข้าทู่เต็มทีแล้วล่ะก็เลยเออนี่อยากได้ต้นนี้แหละพอดีรูปดูคมขวานแลวกวอ็ไม่ใช่ขวานแล้วนี่มันท่อนเหล็กตัวหนึ่งดุ้นตุนั่นแะทนอกอุปัตถวเนี่ยนะวัตถุกรามทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยยังความไม่มีโรคคือสิ่อ วัตถุเหล่านี้เนี่ยนะทั้งทํถามง่ายๆว่าวัตถุไหนบางที่ไม่ผ่านประตูแห่งปาณาติบาตมาเลยมีวัตถุชิ้นไหนบางที่ไม่ผ่านเส้นทางแห่งไม่ผ่านระบบปาณาติบาตมามีไหมมีวัตถุชิ้นใดบ้างไม่ผ่านระบบอธินาทานระบบกาเมสุมิชฌาจารระบบมุสาวาตพุสวาจาปิสนาวาจาสำปะปลาปะไม่ผ่านอาภิชาพยาบาทและไม่ผ่านระบบของมิจฉาทิถีมาเลยเนี่ยยาก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 ไม่สบายใจกัว่าเป็นของที่นําออกได้แสนยากใช้คําว่าแสนเลยนะก็อะไรก็ตามเถอถ้ามันเป็นร า, นราคาแสนขึ้นไปแล้วมันแก้ยากมั้นถ้าร้อยพันห 0,000 ื่นก็ค่อยยังชั่วนะนี่หมื่นนี่ก็หนักหนาแล้วถ้าถามว่าถ้าเป็นแสนเป็นล้านแล้วหลายๆแสนเข้าไปเนี่ยนาบอกว่าเนี่ยความทุกข์ที่มีอยู่ในภายในนําออกแสนยากมันยากจริงนะเพราะบางอย่างต้องมีเงินแสนนี่แหละจรงจะแก้ความทุกข์อนั้นได้เพราะบางอย่างจ่ายสักแสนหนึ่งแล้วจึงสบายใจนะ